เสริญพระตนไตรลำลึกถึงพระพุทธองค์ลำลึกถึงพระธรรมลำลึกถึงพระสงแ์้วานี่เราก็มีการสาธยายบทสวดพิเศษเป็นประจำมีบทสวดสองบทที่เราเสวดอยู่บ่อยๆนะบทแรกคือมองคลสูตรที่เริ่มต้นด้วยว่าคำว่าอาศวานาจพารา น, า น, นัง การไม่พบทนทาแล้วก็อีกบทหนึ่งนะคืออนัตตลักคณะสูตรเมื่อช้านี่แเราก็สวดบทนี้ในของบทนี้ก็เป็นบทที่สำคัญนะมืนงโลาราชูนี่เราก็พระสวดนะเวลาเจริญพระพุทธมนต์เพราะว่า รือว่าส่วนแรกเนี่ยจะเกิดสลีบมงคลส่ว น, น, นแรกตอนรับคณะสูตรก็เป็นการเกืยนให้เราเระลึกนะสิ่งพระสู่ที่สำคัญ ท, ที่ทำให้เกิดมีพระรหันะเป็นกลุ่มแรกในโลกหรือในภระาว ศ, า, ศ า, าสนาต่อจากพระ เ, เจ้านะคือสิ่งพระบัรจรวกี ทั้งสองบทนี้ก็มีความสำคัญนะพอๆกันนะในศัศนะของชาวพุทธหรือว่าชาวพุทธไทยแต่ถ้าเราพิจารณาเนื้อหานี่จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะมงคลสูนี่ก็จะเป็นสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมงคล ที่จึงแล้วประโยชน์คือการกระทําที่เป็นมงคลก็คือความดีมงคลกรสุนสนี้เป็นเรื่องของความดีงามที่เราควรกระทําตั้งแต่การได้พบนคนพาลการคบบัตติดการบูชาคนที่คนที่ควรบูชารวมไปถึงการมีความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตน ความปันอยู่ความสันโดษการให้ทานการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการพวงนี้ล้นแต่เป็นความดีที่คุณกระทำทั้งนั้นส่วนอนุรพันธสูตรนี่ยนะเราจะสังเกตนะมันไม่มีเรื่องความดีเลยไม่มีตอนไหนที่พูดถึงความดีหรือว่ามงคลเลย แต่แกเป็นการพูดถึงความจริงความจริงข่านลึกซึ้งนม่ใช่เป็นเรื่องขันท่าไม่ใช่เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสูวนหนึ่งเนี่ยพูดเรื่องความดีถ้าสูวนหนึ่งพูดเรื่องความจริงจะขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย ซึ่งมีมากมายที่เขาว่าในปานดวงจีพระบรัรมขันจะจะสุดยอดหรือจำแนกเนี่ยก็เลยแค่สองนะก็คือจริยธรรมกับสัตรูธรรมไม่มีไปกับเนี่ยนะธรรมะของพระเจ้าที่ทรงแสดงแล้วก็บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกส่วนเรอ ง, งของภาษาว้วหลายเนี่ยในส่วนที่เป็นธรรมนะ ในส่วนที่เป็นวินัยก็อีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็ยากออกไปเพราะพุทธศาสนาเนี่ประกอบด้วยธรรมและวินัยในส่วนที่เป็นธรรมเนี่ยนะก็จํำได้จะเป็นสองจริยธรรมกับศัลธรรมจริยธรรมก็คือความดีที่พึงกระทำส่วนศัลธรรมก็คือความจริงที่พึงเข้าใจหรือพึงเข้าถึง แล้วก็พระสูตรทั้งสองบทนี่นะก็เป็นตัวแทนของจริยรธรรมกับสัตวธรรมนะบงางคระสูนี่ก็เป็นตัวแทนของจริยรธรรมในะพุทธศาสนาซึ่งในบางที่ท่านก็สรุปมาเป็นแปประการนะก็คืออริยมรรคแปด จากมงคลสามสิบแปดก็ถูกจัดประเภทเป็นอริมักยงแปส่วนอนุตตลักษณ์คณะสูงนี้ก็เป็นตัวแทนของสัจธรรมในที่ลึกซึ้งหรือสัจรธรรมขัน้นสูงในพุทธัสสาขุนแาแนักศึาสังเกตอย่างหนึ่งนะในมงคลสูงเนี่ยจะมีท่อยคขนที่กล่าวถึงคนเยอะ ตั้งแต่ข้อความแรกเลยาการไม่คบคนผ่านากรนารคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชามันจะมีค่อยคำที่เกี่ยวกับคนเยอะโวนทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ว่าในอ น, ตะะนัตตลกณะสูรเนี่ยไม่มีค่อยคำที่ถึงคนเลยนะมีแต่ขันห้า เพราะว่าสระรมขั้นสูงเนี่ยมันจะไปพ้นเรื่องของคนเรื่องของบุคคลหรือว่าสัตบุคคลเราเขานี่มันไปพ้นหรือไปเหนือเหลือแต่ัรหษาไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสัตบุคคลเราเขา เพราะว่าสัตธรรมหรือความจริงขั้นสูงนี่ถึงจะสุดแล้วนี่มันก็ไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาในสัตว์บุคคลเราเขานั่เป็นสมมุติสมมุติสัจจะซึ่งจะไม่ใช่ความจริงแท้กต่ความจริงแท้หรือปรมาิตตสัจจะนี่มันไม่มีเรื่องบุคคลไม่มีเรื่องคนสัตสิ่งของไม่มีเลย เพราะในระดับปรมาณิเนี่ยมันมีแต่เรื่องของขันห้าหรือว่ารูปนามอย่างในอภิธรรมเนี่ยจะมีข้อความว่ามีบทหนึง่งจะมีข้อความว่าเราค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมาติที่เราสวยกันเนี่ยเวลานานศพเนี่ยนะมันจะมีข้อความบาลีที่แปลเป็นไทยตอนเนี้เนี่ย ต้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมัตย์หมายว่าในระดับในความจริงระดับขั้นสูงสุดนี่มันไม่มีบุคคลมันมีแต่ขันห้าหรือเรียกลมหรือว่ากองสังขารอฏิธรรมนี่ไม่มีเรื่องความดีเลยนะมันมีแต่เรื่องความจริงหรือสัจธรรมไม่มีเรื่องคนนะมีแต่เรื่องสภาวะหรือธรรมะอันนี้เนี่ย พระเถรุท่านหนึ่งก็เคยกล่าวนะกล่าวกับมาณ น, นะว่าในสภาวะที่เป็นกองสังขารเนี่ยหาสัตว์ไม่ได้เลยในสภาวะที่เป็นกองสังขารเนี่ยหาตัวสัตว์ไม่ได้เลยเพราะว่าสัตว์เนี่ยหรือตัวสัตว์นี่มันก็เป็นสมมุติในท่าที่ กองสังขารเนี่ยกองสังขารเนี่ยคือขันห้าที่มารวมกันนะบางทีเราก็เรียกว่ากองสังขารหรือว่ากองขันเนี่ยมันไม่มีเรื่องคนสัตว์บุคคลเลยมันมีแต่ขันห้าเราจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนอันนี้น่ะอาจจะเข้าใจยากแต่ก็ฟังเอาไว้เพราะว่าเป็นเรื่องสํงาคัญ ในพุทศาสนาเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเนี่ยศัจธรรมเนี่ยมาคู่กับจริยธรรมจริยธทําคือความดีดสัจธรรมคือความจริงคนเราเนี่ยจะเรียนรู้แต่เรื่องความดีไม่ได้นะต้องเรียนรู้เรื่องความจริงด้วยเพราะถ้าเราเรียนรู้เรื่องความดีหรือแม้แต่ลงมือทํา คือทําดีแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะมันต้องเรียนรู้ความจริงเดียวนายคนจำนวนมากเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยพระุทธเจ้าสอนแค่สองอย่างคือละชั่วทําดีเวลาคนต่างศาสนาคนต่างชาติถามว่าพระุทธเจ้าสอนอะไรหลายคนก็ตอาเนี่ยพระุทธเจ้าสอนละชั่วทําดีถูกยังถูกไม่หมดนะเพราะว่า ถ่าหนังสอนอยู่ประการก็คือให้เข้าใจความจริงเด่นซึ่งเกิดจากการภาวนาบางทีต้างไปใช้ว่าทําจิตให้ขาวรอบหรือทําจิตให้พองใสพองใสคื อ, อส่องสว่างไม่ใช่แค่สงบอีกเดยแต่สว่างเด่นเพราะว่าเข้าถึงความจริงไม่สาวผู้รอนี่ทำแต่ความดีไม่ได้นะต้อง เรียนรู้และเข้าถึงความจริงด้วยพอมนงานเนี่ยมันก็จะยังมีความทุกข์นะทําดีแต่ก็ยังทุกข์อยู่นะหลายคนเป็นอย่างนั้นทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าไม่มีคนเห็นความดีของเราทําดีแล้วอยาให้มีคนเห็นความดีของเราด้วยหรือว่า ทำดีแล้วก็ยังทุกข์เพราะว่าคนใกล้ตัวคนรักก็ไม่ทำดีเหมือนเราอย่างเรามามาวัดมาสวดมนต์มาทาสมาธิมาเจริญสติหรืออย่างน้อยก็รักษาศีลแต่คนที่บ้านหรือคนใกล้ตัวนี้เขาศีลไม่พบเลยเราก็ทุกข์หรือว่าศีลพบแต่เขาไม่ สนใจการสวดมนต์นั่งสมาธิหลายคนก็ทุกขนะ์ทุกข์พาะพ่ อ, พอแม่ไม่สนใจสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าทุกข์พาะพ่ อ, พอแม่ยังไม่สนใจการให้ทานอันนี้เรียกว่าทาดีก็ยังทุกข์นะทุกข์เพราะคนอื่นเขาหรือคนใกล้ตัวเขาไม่ทำทำดีเหมือนเราหรือเขาไม่เห็นทำดีอย่างที่เราเห็น แล้วบางทีทําดีก็ยังทุกข์เพราะว่ายังรู้สึกว่ายังทําดีไม่พอหลายคนเป็นอย่างนี้นะทําดีแล้วแต่ยังทําดีไม่พอพอยังในใจนี่บางข้างก็ยังอดมีเสียงช่วงจาบครูบาอาจารย์มีเสียงจ่วงจบบ า, จางจงจบพ่อแม่ มีเสียงจ่วงจาบพระรัตนไกรหลายคนทุกข์มากเลยนะท่านที่ตัวนี้ก็ทําดีเข้าขวัดรักษาศีลนะแต่ว่าเพียงแค่มีมเสียงในหัวตำหนิพ่อแม่จ่วงจาบพระรัตนไกรนี่ก็เป็นทุกข์มากเลยหรือถึงไม่มีเสียงที่ว่าในหัว แต่ก็ยังรู้สึกว่าเรายังทําดีไม่พอเรายังมีความเหนื่อแต่ตัวเรายังมีชอบขึ้นเสียงชอบต ว, วาดพ่อแม่ชอบเสียงพ่อแม่ก็ทุกข์นะอันนี้เราว่าทุกข์เพราะยุติติดนะยึดติดตความดีทุกข์เพราะยึดติดความดีหรือเพราะยึดติดในผลแห่งความดี และที่ยึดติดเพราะอะไรนะเพราะไม่เข้าใจความจริงไม่เห็นความจริงเพราะถ้าเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะ ม, ววมันจะพบว่าธรรมันี่มีอะไรที่จะยึดถือได้เลยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม้แต่ความดีถ้ายึดถือก็ไปมันก็ขอให้เกิดทุกข์ได้และที่ยึดติดในความดีเนี่ยเพราะว่ามันนึง มันยังมีการยึดที่ลึกที่ลึกซึ่งที่ซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งนะคือยึดติดในตัวกูยึดนั่นสำคัญหมายว่าฉันเป็นคนดีแต่ทำไมไม่มีคนเห็นหรือทำไมฉันจึงไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นมันมีความยึดในตัวกู แล้วที่ยึในตัวกูก็ไม่เห็นความจริง่ะจริงๆแล้วมันไม่มีตัวกูนะสิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันก็เป็นแค่การปรุงแต่งหรือเป็นมายาแล้วพอคนเราเนี่ยพอไม่รู้ความจริงเท่านียมันก็เกิดความหลงหลงผิดหลงผิดนี่ก็ไม่ใช่แค่หลงยึดอย่างเดียวนะ ลงยึดลงยึดในความดีหรือลงยึดในผลแหงความดีแต่มันลองยึดอีกหลายอย่างอย่างเช่นทําดีแล้วเนี่ยทําไมยังเจ็บยังป่วยบางคนก็บอกว่าไมต้องเป็นชั้นชั้นก็ทอดวัดทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดกระินทอดประปาเป็นประจำแต่ทำไมยังเจ็บยังป่วยทําไมน้ําท่วมบ้านทําไมไฟไหม้บ้านหรือว่าทําไม รูป่วยหรือทำไมตัวเนี่ยป่วยด้รคร้ายอันนี้เพราะไม่เข้าใจความจริงนะเพราะว่าถ้าเห็นความจริงกนะ็จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นมันเป็นธรรมดาที่เกิดกับทุกคนหรือเป็นธรรมดาที่เกิดกับกองสังขารทุกกองตราบใดที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขายิญญาณ นะในพวกนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับความทุกข์เจอความสูญเสจอเจอความพัดร่าที่จริงแม่จะยังมองไม่เห็นในระดับกองสังขาร น, นะแต่ว่าในระดับการมอระดับบุคคลเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ยังสามารถจะเข้าใจได้นะว่า แก่เจ็บตายพัฒนาสูญเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเป็นธรรมดาของทุกชีวิตยอย่างที่เราสาธยายอยู่ยบ่อยๆนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะต้องพัฒนาจับของรักของชอบแกทั้งนั้นและสุดท้ายเราก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดา แต่ล่วงเพลินความตายได้เลได้ไดไดแล้วคนทําดีเนี่ยแต่พอเจอความแก่ความเจ็บความป่วยความพราษสูญเฉลี่ยก็เป็นทุกข์เพราะมันยังมีความยึดติดนในร่างกายนี้ยึดติดในทรัพย์สมบัติยึดติดในพ่อแม่คนรักและที่สำคัญคือมันยึดติดในตัวกูเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ของกูนะที่สูญไป ของกูที่เสื่อมไปแต่มันยังมีความคิดว่ามีกูเป็นผู้ทุกข์ด้วยมีกูเป็นผู้แก่มีกูกูเป็นผู้เจ็บมีกูเป็นผู้สูญเสียมีกูเป็นผู้ตายถ้ามันยังมีมีกูแบบนี้เนี่ยมันก็ทุกข์เปนยังนางถ้ำแม้จะทำดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราเห็นความจริงนะว่าไอ้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรา้า มันเป็นธรรมดาเพราะทุกอย่างมันไม่จีรังย่างยืนแล้วก็มันก็ตกอยู่ในการ น, น่าของความเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นนะยังเห็นต่อไปว่ามันไม่มีเรามันไม่มีกูเนี่ยเมื่อไม่มีกูเนี่ยมันก็ไม่มีผู้ทุกข์นะอย่างที่ลิจร์่าวว่ามันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ ถ้าทาความดีแต่มันยังมีผู้ทุกข์นะมันก็ยังเจอทุกข์อยู่พันอยู่ร่านไปแต่ถ้าทําดีแล้วเนี่ยเห็นความจริงจนกระทั่งไม่เพียงแต่รู้ว่าแ่เจ็บตายพัดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาของทุกชีวิตแต่ยังมองไปเห็นกระทั่งว่ามันไม่มีเรามันไม่มีกู ถึงตอนนั้นมันก็ไม่มีผู้ทุกข์นะไม่มีผู้แก่ไม่มีผู้เจ็บไม่มีผู้ตายอันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่หรือนะไม่มีผู้ทุกข์นะตนเราปรารถนาแต่ว่าขอจะมีความทุกข์นะแต่ลืมไปว่าในความทุกข์นี้ไม่พ้นแต่การไม่มีหรือไม่เป็นผู้ทุกข์นี่มันทําได้นะถ้าเราฝึกใจเห็นความจริง ไม่ใช่ทําแต่ความดีเท่านั้นทมดียังต้องทําต่อไปแต่ว่าก็ต้องฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยอันนี้ก็ต้องอาศัยการภาวนาการหมั่นสังเกตรหรือพิจารณาดูกายและใจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยดูกายดูใจ มันจะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างตอนที่ยังไม่ตอนที่เริ่มมาสนใจวิทยศาสตาสนาใหม่ๆท่านก็สอนว่าให้รู้จักคิดดีนะอย่าคิดร้ายคิดชั่วแต่พอมาภาวนานี่นะยอมรับหรืออนุญาตให้ความคิดชั่วมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่เข้าไปยึดมันอย่างที่หลวงพ่อมเขียนทว่านว่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่าง อย่าไปสนใจก็แค่ดูมันเห็นมันมันจะมีความอิจฉามันจะมีเสียงดา่าพ่อแม่ช่วงจับครูบาอาจารย์ก็แค่เห็นมันดูมันใน ต, ตอนที่ยังไม่ปฏิบัตินี่ก็ผลไม่ได้กับความคิดแบบนี้เพราะมันเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาที่ จะมีความคิดแบบนั้นในหัวเพราะว่าจิตของเรามันก็เหมือนกับเรือนว่างนะหรือว่าเรือนว่างริมถนนที่จะมีใครมาใช้มาพักก็ได้คนดีมาพักก็ได้คนชั่วมาพักก็ได้ผู้ร้ายมาพักก็ได้มีใจเราก็เป็นอย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราคือดูมันแล้วก็เห็นมันแต่ว่าไม่เข้าไปยึดแล้วก็ไม่ทำตามมัน ต่อไปเนี่ยเก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่เราความคิดมันเกิดขึ้นนะต่ไม่ใช่เราคิดคิดดีก็ไม่คิดไม่ใช่เราคิดชั่วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปทุกข์ร้อนทำไมแล้วต่อไปก็จะเห็นเนาะอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความกรัก็ไม่ใช่เราเห็นความโกรธจึงไม่มีผู้โกรธนะ เห็นความเครียดจึงไม่มีผู้เครียดมันเริ่มที่จะเห็นความจริงแล้วก็เริ่มที่จะปล่อยเริ่มที่จะวางแล้วต่อไปเมื่จะเห็นความจริงของรูปของนามของกายและใจเห็นไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามหรือมันมีแต่ขันธ์ห้าที่มารวมกันเป็นวางสังขารแล้วเราก็จะ เกิดความรู้รอบในกองสังขารขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราไอเรานี่เป็นสมมุตินะในกอในขอสัตว์บุคคลที่เป็นสมมุติแต่ว่าถ้ามองให้เห็นอย่างลึกซึ้งก็จะพบว่ามันไม่มีเรามันมีแต่ขันห้าหรือกองสังขารไอความยึดในในตัวเราในของเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอความทุกข์เพราะเราทุกข์พาะของเรามันก็หมดไปแลนน้วนี้เสียงมันดังมากนะก็คงยุติเท่านี้แหละนะก็สูงก็คือว่าอย่ามัวแต่ทําความดีอย่างเดียวนะให้ฝึกจิตให้เข้าถึงความจริงด้วยเข้าจริงถึงความจริงจงกระทั่งนะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมันถือมันได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราอ่ะตอนนี้แหละน ะ, ะก่านภาพพร้อมกัน